ว่าการน์วَาฟิร์ْนَว่าฮานน์และบรรดาเจ้าของมุสลิมเดียร์َี่เป็นศัตรูและบรรดาเจ้าْ ب َมุสล อัลลอฮฺป i ะทานมุสาวีตินตะกะบารุฟินอารบีวะมะกะติอาฮัลน شرنا عليه حاسبة ومنهم من أقذت الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ว่ามิหนุมมันอกรัَนะว่าแต่พระผู้ยิ่งใหญَ่่ามิคَนั้นพระผู้ยิ่ ل ใ ما ل الذين تفزوا من دون الله أولياء كما ل المكبوس كم من ا ل أنك م ُ ت َ س ْ ل ََ ب ي ت َ ك َ م َ س َ ل ا ل ََ ن ْ ك َ ب ُ و إ ِ ت ِ ك َ ف َ ل َ ت ب َ ي ت َ إ ินน้าอ้วนนัลบุญติละใบตุ้งเคน و คบุษแล้วแกนุย่ัลมุนแล้วแกนุย่ัลมุนอินน้าอ้ د ع و ن من دونه من شيء وهو العزيز, وهو العزيز الحكيم وتلك, <تصفيق> <تصفيق> وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعطيه จะ عقله ا إلا العالمون ัม الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 Allahumma inni a'uzu bi kamil al kashf ربي أ ع ْ ز ب ك م ن <بر> ا ل ع ذ ا ب ف ي ا ل ن ا ر و ع ذ ا ب ف ي ا ل ق ب ْ ر ِ س ل ا م ع ل ي ك م ْ ر ح م ة ا ل ل ه و َ ر َ ح ت ه أ َ ن َ ا ت ِ و َ ن م ا ที่มัสยิดของอัลลอฮฺะพี่น้องที่ติดตามรายการที่นั่งอยู่ที่บ้านทุกท่านครับเรลห้ามดยิลนแล้วก่อนอื่นผมและพี่น้องจะต้องดึกถึงคลลอก าการนึกถึงอัลลอฮ์นั้นทำให้หัวใจสงบการนึกถึงอัลลอฮ์ให้ใช้ประโยคหกเจดประโยชนะครับที่ท่านบีสอนก็คือสุบ ا านัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์ลาอิลลา إ اي اي ل ل ล ال الله, الله الله أ ร ب ุบ ب า ا ا ل م ا ل ك ا ل ك د و س ลา حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 67ประโยคนี้พี่น้องนำเอาไปเอาไปพูดสรรเสริญชมเชยต่ออัลล์ได้ทุกวันไม่มีวันหยุดพี่น้อง พระบรรดาเมาริกาเนี่ยสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ตลอดนะครับทีนี้เราสรรเสริญอัลลอฮ์เนี่ยเราต้องต้องสละเวลาส่วนเมาราิกาเนี่ยสรรเสริญอัลลอฮ์ไม่ต้องสละเวลาไม่ต้องลงทุนเพราะเมาราิกาเนี่ยไม่แต่งงาน ไม่ต้องกินอาหารไม่ต้องเลี้ยงลูกไม่ต้องเข้าห้องน้ําจึงไม่ต้องไม่ต้องห่วงแต่ส่วนมนุษย์เนี่ยเอาเวลามาสารเสตสนอรอเนี่ยจะต้องเหยียบอารมณ์เยอะบางทีหิวข้าวบางทีจะเข้าห้องน้ําจะฉี่ บางทีก็เมียบอกว่าตังค์ไม่มีเอาตังค์เราหาตังค์เราหน่อยเราต้องเอาเวลาเนี่ยต้องเจียดเวลานะ่ะมานั่งนั่งถึงอัลลอฮ์นั่งรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์จึงมีผ ล, ลบุญมากกว่ามาลายกาเพราะเราต้องเหยียบอารมณ์เยอะเชิญลุกขึ้นนมาตพัดยุทธเนี่ยตอนก่อนนมาซูโบสักหนึ่งชั่วโมงเนี่ยถ้าว่าเหยียบ คือารมณ์เยอะนะอัลลอฮ์ต้องลุกขึ้นตอนตีสีเนี่ยแล้วก็ตามกว่าจะลับอยากจะนอนอีกแต่เอา้าอดทนขึ้นมาจึงมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ามากกว่ามาลัยกันขอบคุณอัลลอฮ์วันนี้เรามาทบทวรอร آن, นอัลกุรอานพี่น้องสุรอังกะบูด อังกะบูดนี่แปลว่าแมงมุมวันนี้เรามาถึงสุรออังกะบูดเน่แล้วก็อายาที่สี่สิบสี่สบอ็ดพูดเรื่องแมลงมุมพอดีเอาคุรานเอาสุรนนี้แหละไปตั้งไปตั้งชื่อสุรอนจากคุรานอายานี้อายาที่สี่บเอ็ดทีนี้ ทำไมจึงนําเอาเรื่องแมงมุมมาอธิบายให้นบีมอมัดฟังแล้วก็ให้พวกเราที่อ่านอุรานเนี่ยได้ฟังเพื่อให้เรานึกเพราะเราอยู่กับมแมลงมุมมาตลอดพอที่บ้านเรามันมีใ ย, ยมแมลงมุมใ ย, ยมแมงมุมเราก็เห็นเนี่ยใยมแมงมุมเนี่ยมันอ่อนแอ ถ้าอักีดาของเราเนี่ยมายถึงอักีดาที่ไปยึดสิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอ์เป็นที่คุ้มครองมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยช่วยเหลืออะไรไม่ได้ทอรใหญ่แมงมุมนั่นมันอ่อนแอเพื่อให้เราเข้าใจง่ายๆเลิกซะคนที่ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอ์เป็นที่พึ่ง เป็นวานีเป็นอะไรอย่าเอาโ ต, ตเกียมาเป็นที่พึ่งเนี่ยเลิกได้แล้วพระนักพิกุนอ่านอาธิบายว่ามันไม่ต่างอะไรกับแมงมุมแล้วก็ใ ย, ยแมงมุมอีกอะ่ะเนี่ยวันนี้จะอธิบายเรื่องเหล่านี้อิชอัลลอ์นะครับวันนี้มาถึงอายะที่ส9สอายะที่ส9มสิบเานี่ยอัลลอฮ์นชื่อคน สีคนนะครับมาเล่าอยู่ในสุร้อนนี้ให้เราได้ไปเรียนประวัติศาสตร์ของสี่คนสามคนนั้นเป็นศัตรูของอัลลอ์และอีกคนหนึ่งเป็นมูซาชื่อมูซาเป็นนบีของอัลลอฮ์ท่านเราก็ต้องไปเรียนประวัติศาสตร์สี่คนนี่แหละใครบ้างวะคอรุน วาวาฟิรนาวน่วาฮามานันไม่มีใครเอาสามชื่อเนี่ยไปตั้งชื่อลูกนะทุกคนกลัวหมดเพราะจะเป็นสตัตร์ของอัลลอฮ์และอีกชื่อหนึ่งครัว่ามูซาเนี่ยคนเอาไปชื่อเยอะมากเลยเพราะอะไรเป็นคนดีเป็นนบีของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูตะอัล وقار وفرعون ن و وهامان ولا قد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين وقارون وفرعون وهامان و ل ق د ج ا ء ه م م و س ى ب ا ل ب ي ن ا ت ف ا س ت ك ب ر و ا ف ي ا ل ْ أ ر ض و م ا ك ا ن و ا س ا ب ق ي ن الحمد لله ب ن ا กอรูนเป็นใครอ่อไปเราเราก็ได้ยินกันมาบ้างแล้วนะเรื่องใหญ่กอรูนเนี่ยที่อัลลให้ก็คือเป็นคนหนึ่งจากพวกบันีอิสรออีนกอรูนนี่นะเป็นคนกลุ่มเป็นคนหนึ่งจากพวกบันีอิสรออีนก็ยิ่งวันนั้นนะ่ะบันีอิสรออีนถูกกดขี่ถูกกดขี่โดยใครโดยกรรษัตริย์ฟาโร แต่ว่าพวกพวกเขาบนะี่ยบริซอินถูกเกลี R e, K, แต่ตัวกอรูนเองเนี่ยไปเป็นผู้ช่วยกษัตริย์ปารเป็นรัฐมนตรีนะว่าไงๆนะนั่งนั่งประชุมกับคิงพระเจ้าแผ่นดินนะครับแต่ที่กอรูนเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเยอะ คนที่มีเงินต้องึกด้วยนาะนนึกตามนี้ด้วยมีเงินพันล้านมีธุรกิจโอ้โหมีที่ดินอยู่หน้าซีคอนแถวเนี้ยต้องนึกนะร้ อ, องให้ท่านนะมีที่ตั้ง100ร้อยไร่ห้าสิบไร่สี่สิบไร่ตรงนี้ลองขายเป็นเปลียงเป็นเงินดิเท่าไรหลายพันล้านนะเวลาถามว่าเงินเหล่านี้ยมาจากไหน อย่าคิดอย่าคิดเหมือนกอรูนนะอย่าคิดเหมือนกอรูนกอรูนว่าไงนะเงินเหล่านี้ฉันได้มาด้วยภูมิปัญญาของฉันเองภาษานื้อต่างหากถึงเอาล้อไม่พอใจเพราะนั้นเวลามีเงินมีทองเนี่ยตรงนึกถึงใครที่ต้องเอาล้อเยอะๆเหมือนใคร บุคคลตัวอย่างในสมัยนบีมุฮัมมัดอับดุรละมานบินอาฟอับดุรละมานบินเอาฟเป็นคนดีครับทำธุรกิจเจริญร่ำรวยแต่บริจาคสม่ำเสมอนมาศซอบหน้าทุวันวันที่ไซนาอุมัรเป็นคอลิฟะ ไซนาอุมัดเน่เป็นคอร์รันและเป็นอิหมามนามาเนี่ยแล้วก็ถูกแทง่พวกศัตรูเนี่ยศัตรูมาจากไหนจากอิหร่านจากเบ์เชียมนี่แหละส่งโค่นไปไปอยู่กับชาวบ้านที่ไา้ได้นำวางแผนในใจต้องการจะฆ่าไซนาอุมัสวันนี้คนที่ฆ่าเซนาอุมัสน่ะเป็นฮีโร่ที่ประเทศอิหร่านอ๋อข่าวฮีโร่ฮีโร่ฮีโร่ ฆ่ามุสลิมได้เสร็จแล้วก็นบีอัลนามบินเอาเนี่ยานามาไม่ขาดวันนึ่ห้าเวลาก็ท่านนาบีวันที่ไซน่าวมัดถูกแทงเนี่ยท่านล้มไปนามาได้หนึ่งเรากอ็อาจได้ล้มไปแล้วก็คนที่ขึ้นมาเป็นอิหม่ามแทนอัลโดรมาลบินเอ้าวก้าวขึ้นไปเป็นอิห ม, ม่ามแล้วก็นำนามาอีกหนึ่งเรากอ็อาจนั่นน า, ามาหาเศรษฐีทําไมก็ไปนามาล่ะ ไปเหตุนี้อลัลลอฮ์จึงยกย่องอ่ะบรรดาสัฮาบานะเบีหรือว่าชาวซาลัคนเหล่านี้เป็นคนดีทั้งหมดเป็นกาฟเฟตมาก่อนนะแล้วก็มารับอิสลามอ่ะแล้วก็หัวใจเป็นไงอลัลลอฮหักบัดนอบน้อมถ่อมตนต่ออลัลลอฮฺแล้วก็ตอนแต่งงา น, นาไซนาอัยท่านอดุดมานบินเอ้าเนี่ยไม่ได้บอกนบีที่เขาตองนึกอย่างเงี้ยคน ไปจากนกครมักกะน่ะไม่กี่คนนะประมาณยี่สิบคนสามสิบคนเองไปอยู่ที่นครมาดีนะ <S <S <an> <S แล้วก็มักกะชาวมักกากับมักกาด้วยกันเนี่ยเวลาจะแต่งงานเนี่ยไม่บอกไม่บอกหัวหน้าไม่บอกนบีถามว่านาบีเสียใจว่าป้นานบีไม่เคยถามว่าทําไมไม่เชิญฉันน่ะฉันกินไม่เยอะหรอกพอหนบีเห็นหน้าดโดรมานที่มือง มีรอยไปจับผู้หญิงอ่ะน้ำก็มีรอยติดมานบีปับ๊บนบีมองนบีสะเกตคน่ะคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมเนี่ยบอกว่าแต่งแล้วขอทูลาเลยบารักอัลลอฮุลลากะวบบารักอัลลากะวะยะมาอับัยนะกุมะฟีไขเป็นยังนั่นแบบแบบอย่างของพวกเราอันนี้เวลาเราเห็นพวกเราแต่งงานมาหาเราแต่งงานแล้ ว, งงลวหรือแต่งงานแล้วครับ ขออนุอาตอาัลลอลยบาริก a ล l a h ุลกาวบาริกาละเลิกะว่าจะมาไปนะกุมาฟีคิอยรินดีดหรือไม่ดีตัวแบบคือท่านนบีมัลลัลลอฮ์มุสลา ม, มขอดูอาไม่ใช่ตำหนิแต่ที่บางคนน่ะมันเอาสุนัขนบี ม, มาใช้มาอะไราว่าแค่นี้ไหนย่อมเชิญเออเห็นไหมการตำหนิไม่ใช่สุนัขนบีแต่การขอดุอาเป็นสุนัขนบี เราเจอพักพวกของเราเผื่อนฝูงเราเขาแต่งงานมาเดี๋ยเชิญเราไม่ต้องไปเสียใจถ้าการเสียใจเป็นของดีนบีต้องเสียใจก่อนทําเป็นรูปแบบเอกว่าดูมันไม่บอกเราเราเสียใจเราก็จะเสียใจตามนบีแต่นบีไม่ได้เสียใจนบีกับขอถ ว, าบ า, า, ะะวาบารกากัลลอฮุลกะวับบารากาเลกะว่าะมาใบานะกุมาฟีคอยแตนี่กอรูนเนี่ยต้องการจะเล่าเรื่องกอรูนนิดนึ่งกอรูนเนี่ย มีทรัพย์สมบัติเยอะพอมีเงินแล้วก็คุยยายคุยโตโอ้โหคุยยายคุยโตแล้วก็พูดว่าเงินทั้งหมดมาเนี่ยได้มาจากสติปัญญาของฉันเองเอาล็อไม่เกี่ยวภาษานี้แต่หางตัวเอาลอกโกรธแล้วก็ถูกถกอะไรครับถูกแพนเดนโซวันนี้เนี่ยอลุลามะแนะนาว่ายังไม่ถึงก้นนะ่ะ ยังไม่ถึงก้นอะไรลึกๆของแผ่นดินนะ่ะถ้าถึงก้นหมาถึงวันนั้นวันวันจะยมัดเอาล่ะอากุบัต์เอาต่อมากบอีกคนหนึ่งคนนี้คนที่สองชื่ออะไรครับฟิราลุาทำไมเอยกกรูนก่อนเออนาคิดเอยกกรูนก่อนแล้ววันเลวนะัก <laughs> เลวนะักคนที่สอง ฟีเรนอนฟีเรอนนี่โอ้โหประวัติยาวหน่าดูเลยนะฟีเรอนีอัลลอ์อร่อยจริงๆใช่ไหเป็นกษัตริย์ด้วยอัลลอ์บบัแล้วก็สั่ตะกี้อิหม่ามอ่านตะกี้เนี่ยวายสตาฮินอนิสาอุมฆ่าผู้ชายแล้วก็เอาไว้ชีวิตผู้หญิงเนี่ยฟาโร่โทาทำบาปเอาไว้เยอะมากเลยนะอัลลอ์ก็ส่งนบีมูซามานี่มาสอนฟาโร่โ ต่อมาอีกคนหนึ่งวาหฮามานวาหฮามานนังเเป็นรัฐมนตรีของใครนะของฟาโรฝฟาโรสั่งให้ฮามานทำอะไรรู้เปล่าเผาอิฐเผาอิฐครั้งแรกในโลกเนี่ยที่ประเทศอียิปต์ใครไม่คนสั่งสกษัตร์ฟาโรสั่งฮามานเองไปทำอิฐมาและบอกวิธีทำอิฐ ด, ด้วยเอาดินเนี่ย มาเผาให้มันร้อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอิดวันนี้ก็เดินตามพามา ก, กันหมดใทยนี่ไม่ใช่จะ ม, มีอิดอิอิ ด, อ ด, อ ด, อ ด, อดขายกันทั่วโลกวันนี้นะ่ะเดินตามคุรานเผาอิดแล้วก็ฟาโรสามงว่าถ้าได้อิดเยอะแล้วนะบอกชนนะให้ทำอะไรให้สร้างหอคอยสูงๆนี่ความคิดของฟาโร เขาก็ทำสร้างหอคอยสร้างไปสร้างไปฉันจะถ้าสร้างเสร็จแล้วบอกฉันนะฉันจะขึ้นแอบไปขึ้นหอคอยอันนี้ไปดูอะไรพระเจ้าของนบีมูซาว่าอัลลอฮ์น่อยู่ที่ไหนเห็นไหมอย่างเงี้ยหน้าพังไหมล่ะแล้วก็ประเทศรัสเซียเนี่ยเรียนแบบนี่อ่านจากตัวที่ภาษาอุล ด, ดูนะ เรียนแบบครับเรียนแบบฟาโร่กษัตริยยานอะไรที่ขึ้นไปเนี่ยแคนาดาอเมริกาจีนก็ส่งด้วยรัเสเซียก็ส่งมาส่งขึ้นไปขึ้นไปครั้งสุดท้ายเนี่ยส่งไปโคจรในอวกาศไปเหยียบลงนน่นเหยียบดาวโน่นดาวนี้ลงมาพูดแล้วว่าฉันไม่พบพระเจ้าฉันไม่พบพระเจ้าเห็นไหม ทำไมเอาล็อตเก็บล่ะเก็บมาไว้ไอ้คนที่พูดนี่นะเก็บอาไหวยังยังยังยังไม่รีบลงโทษแพ่อหนบีย็หมายอดุอาเอาไวนะ้อย่าเพิ่มลงโทษไอ้คนที่ไม่เอาฉันนะ่ะเดี๋ยวตายจะจัดการเองมันรอดจัดการเองฉะนั้นรัสเซียนี่ยอเมริกาพูดหรือเปล่าต่อยังข่าวมันยังไม่มาถึงเรานะ่ะอเมริกาพูดหรือ ย, ยังเราไม่รู้เดี๋ยวไม่ช้า ข, ขามก็ออกมาไอ้คนที่ขึ้นขึ้นข้างบนนี่แหละ พระเจ้าไม่เห็นมีแบบไครแบบวารขึ้นไปแล้วไม่เห็นมีพระเจ้าพระเจ้าที่มูซามาสอนว่าอรอยอย่างนั้นอร่อยอย่างนี้ไม่เห็นมีเอาเล่าเลยเล็กเ้อยพอยนะเวลาจากัดวะกอรุนวะฟิรอานวะฮามันอัลลอฮอักบัฮต่อมาครับ ว่าล้ก็ดยาอหุมมูซาบิลบายยินัอันนี้เรื่องดี <laughs> ลก็ตแปลว่าโดยแน่นอนยิ่งยาอาหุมได้มาอย่างพวกเขายาอาแปลว่าได้มาอย่างพวกเขาอะไรมาครับมูซานบีมูซาเป็นตัวแทนของคนดี สมคนนั้นเป็นตัวแทนของคนชั่วพี่น้องอย่าเอาอัคลากนิสัยของกอรูมาใชา้อย่าเอานิสัยฟาโร ม, มาใชา้อย่าเอานิสัยฮามานมาใชา้แม้จะตั้งชื่อลูกก็ไม่มีใครตั้งฉะนั้นวะละก็จะจะฮุน ม, มูซาและ แท้จริงเนี่ยมูซาได้มาหาเขาเหล่านั้นมาหาสามคนนี่แหละส่งมาหารอาาคนเป็นตัวแทนคนความความชั่วน่ะส่งคนเดียวมาหาทั้งสามคนเขาจะสู้กันไห ว, วเห็นยังครับคนทางานศาสนาเหนื่อยได้ไม่เหนื่อยโอ้โหเหนื่อยจริงจริงอ่ะแล้วก็ก็รนเนี่ยเบามารวยด้วยอาถามประชาชนจะเอาใคร ประชาชนมันก็เดินตามคุณรวยหมดใช่หรือไม่ใช่ปัจจุบัน น, นีนนะ่ก็เหมือนกันคนรวยๆน่ะก็เหอตามคุณรวยหมดตัวคื อ, อเอ็งนั่งสุราไปเถอะเอ็งมีอะไรแต่ที่ไหนได้คนนั่งสุรานะพาไปสวรรค์การูนฟิราห์นวะฮ์มานี่เป็นตัวแทนของคนชั่วนะเป็นตัวแทนของความชั่วด้วยอย่าเอาแบบ ว่ล้ก็เดีจะหุมมูซาและโดยแน่นอนยิ่งมูซาได้มาหาคนเหล่านี้แหลวมาหาเขาเหล่านั้นมาหาใครมาหากอรูลมาหาฟิรันูนมาหาฮามานพาได้มาบิลบา ย, ยินาหลักฐานอันชัดแจ้งพาได้มามุาอจิจาตบา ย, ยินาตหมายถึงมุอจิจาต อะไรบ้างเช่นไม้ตะพธออิ์อซอไม้ตะโพธนะินะน บ, บีมีน บ, บีมูซามีไม้ถืออยู่อันหนึง่งเวลาโยนกลายเป็นงูนี่เป็นมวยจีดัดนะน บ, บีมูซาเนี่ย Allah, อัลลอฮ์ฟาฟาอัลลอฮ์ให้มวยจีดัดมาโยนไม้ไม้ถือเป็นงูเนี่ยอิมานเพิ่มนะแต่สามคนนั้นอนะ่ะอิมามลด <c oughs> แล้วก็มีอะไรอีกมีทั้งหมดเก้าเรื่องเกียกันมวยจีดัดเ้ารายการ สยกมือเอามือออกมาจากหน้าอกยกขึ้นสีขาวเป็นมว้วนจีดัดสอนไปสอนไปสอนไปมีน้ําเป็นเลือดมีกบโอ้ยมีสัตว์พัดด้ว ม, มันก้าชื่อด้วยกันนะ่ะพี่น้องก็มาน้องไปเช็คดูเองบ้านก็ได น, นะกรายการมีอะไรบ้างที่เอาลอ้อทรงให้กับนบี ม, มูซ่าเป็นมวัวนจีดาดมาเตือนสามคนนี้ให้เลิก ทำตัวเร็วว่าไ ง, ไง่ายๆนะทำตัวสกรปรกทำตัวเลว็วเลิกให้หมดนะครับอ่ะทีนี้ต่อมาครับมาส่งมาแล้วเป็นไงฟาสต้าคือบาลูอิสติกบาตแปลว่าอะไรรู้เปล่ายิงพยองสามคนเนี่ยรับหรือไม่รับไม่รับอัลาลาฮุลเลานะครับเพืนคุณฮานฟาสต้าคือบาลู แต่พวกเขายิงพยองซิฟัดยิงพยองเนี่ยอัลลอฮ์เกลวายสาหรับอัลลอฮ์อง์เดียวใช่หรือไม่ใช่มนุษย์ห้านําเอามาใชา้ซิฟัดอิสติงบาร์เนี่ยนะเกี่ยวให้ อ, อัลลอฮ์แต่มนุษย์ดนํามาใชา้นบีมุฮัมมัดนี่พูดว่าสามรายการฉันไม่ทำเลยนะ ฉันไม่ทําอย่างเด็ดขาดสามรายการนะหนึ่งทะเลาะกับคนฉันไม่ทำนี่สิฟัตของใครอัคลาของนบีมุฮัมมัดข้อที่หนึ่งไม่ทะเลาะกับคนไม่ทะเลาะกับภรรยาไม่ทะเลาะกับลูกไม่ทะเลาะกับญาติพี่น้องไม่ทะเลาะกับเพื่อนบ้านไม่ทะเลาะกับใครต่ใครละซาวบ้านนาบีมีเป็นแสนใช่ไหมนบีไม่เคยทะเลาะกับซาวบ้า ไม่เคยทะเลาะ ก, กับภรรยาภรรยานับีมีกี่คนอไปน้องก็นกึกดูเองถูกไหมวันนับีเสียชีวิตมีภรรยาเหลือแปดคนไม่เคยทะเลาะกับภรรยาเลยลูกนับีมีไม่เคยทะเ ล, ลาะนี่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองอับีไม่เคยเนี่ยเตะถ้าอิสติกบาดหมายถึงหญิงพยองเราจะทําตามโุนาอัาบดบีใช่ไหมภรรยาอย่างน้อยสอเรื่องแล้วนะในใจเราต้องไม่มี เรื่องที่สามที่นบีไม่ทำนะทำแล้วไม่มีประโยชน์ในโลกอาคีรอดนบีไม่ทำอะไรบ้างทีมที่ทำแล้วนะในอาคีรอไม่มีรางวัลตอบแทนทำทำไมเขาเรียกว่าคนไม่ฉลาดคนฉลาดมันต้องทำตรงนี้ต้องมีรางวัลตอบแทนหลังตายนั่นก็เรียกว่าคนฉลาดคนไม่ฉลาดเนี่ยทำอะไรก็ได้ ตะใจแล้วเป็นไงอนะ่ะทำร่วมตายรางวัลมีไหมไม่มีสักนิดหนึ่งทำทำไมสามรายการนาบีไม่เคยทำฟังาการจะอธิบายว่าอิสติกบารเนี่ยยิงพยองคุณสมบัตยิงพยองใครเอามาใชาหรือเปล่าใช่ตอนแล้ววันนี้ใครนําอามาใย้ฟาโรห์เอามาใ ย, ย้แล้วใครอีกคอรุนนำเอามาใชา้แล้วใครอีก ฮามานนำมำนาจใาชา่แล้วเป็นไงครับไม่มีใครตามงชื่อทั่วโลกคนตั้งเจ็ดพันล้านน่ะตามงชื่อฮามานมีเปล่าต่างชื่อฟาโรห์มีเปล่าทำไมะวาละ่ะก็กลัวงนะเพราะคนเหล่านี้ยิงพยองอิสติกบาโ ย, ย่ยิงจองหองต่อคำสั่งของ อ, อ, งองัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت ع อิสติกบัดแปล ว, ว่าหญิงผยองที่ไหนฟิลอร์ดีและแผ่นดินของอัลลอฮ์เนี่ยรวมหมดนะที่ไหนที่มีคนอยู่ที่ไหนเป็นแผ่นดินอัลลอ์รู้เห็นหมดเลยก็ยังไม่พออีกนะวามกากนุซาบิตินและสามคนนี่นะเขาก็นึกอยู่ในใจว่าเขานี่ยนะอัลลอ์ลงโทษฉันไม่ได้หรอก อัลลอฮ์ว่าไงนะพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถไม่มีอำนาจที่จะหลุดพ้นจากการลงโทษของเราไม่สามารถหนีจากการลงโทษของเราได้เลยน่าแต่กไหมล่ะกูะอ่านสอนท่านคนที่วางทัวเตะถ้าคนที่หยิงพยซูกับอัลลอฮ์คนที่ الله, ทะเลาะชอบทะเลาะกับคนคนที่เอาอัากษราของ คนสามคนนี่มาใช้ดนะเอาอดลงโทษแน่ๆแล้วก็เองหนีรอดไหมหนีไม่รอดด้วยนบีเขมาสอนดีนะแค่จับใส่ลงนั้นแหละพ <c oughs> อแบกปบั๊บอิลาไอนายธาบุนจะพาฉันไปไหนไอคนดีๆมีศาสนาก็ดีมูนีรีบพาฉันไปรีบพาฉันไปไปฝังไวๆชะรางวัลรออยู่ในกูโบยอยู่แล้ว อัลฮัมดุลิลลาฮิโนะ อ, อยายะเดียวนี่สอนเราวันนี้เยอะนะอัลฮัมดุลิลลาฮิฉะนั้นอย่าเอาอัคลาบนิสัยของคนสามคนมาใชา้ในชีวิตประจำวันนะครับเอาต่อมาครับอยายะที่สี่สิฟักุลันอัคคอนาบิซัมบิ فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أ غ ر ْ ن ا وَمَا كَانَ بَعْضُهُمْ ي َ ن ْ ل ِ م ُ و ن َ فَكُلَّنَا خ َ ل َ ذ ن َ ا ب ِ ذ َ ن ب ِ ه ِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ ح َ ا ص ِ ب ا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ل ي ظ ل م ه م ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ห ل ح م ลลอ ه الله أكبر قرآن นะเี่นว <adding to> <Emmanuel> ่าไม่มีอะไรมาเทียบคุรานหรอกครับเพราะเป็นมุอจิดารมาจากอัลลอฮ์อายานี้อัลลอ์ต้องการจะเล่าเนี่ยโทษมีอยู่สีแบบการลงโทษจากอัลลอ์เนี่ยมีอยู่สีแบบมีอยู่สีแบบอัลลอฮ์อัลล ฟักกู ล, ลุนฟักกุ ล, ลันแต่ว่าทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยรวมถึงคนเก่าๆด้วยนะมันจะสามคนนี้นะสามคนนี้ก็ถูกลงโทษแน่กอรุนฟิโรห์ฮามานแล้วก่อนหน้านี้ล่ะอาตมุตแล้วก็ยุค ข, ของนบีฮูดยุค ข, ของนบีชอยยุค ข, ของนบี อะไรอิบรอฮิมยุคของนบีนอาห์อัลฮิสลามอมาทั้งหมดเลยเนี่ยเราสรุปแล้วฟะฟุลันดังนั้นนะแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนฟุลันว่าทั้งหมดในภาษาไทยให้พูดในเพราะก็แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนที่ทําอะไรผิดผิดเอาไว้เนี่ยนะแล้วก็ไม่ยอมเตาบ้าตัวต่อรอนละตาในสภาพที่ไม่ได้เตาบ้าตัวนะ มันเป็นยังไงอาคอสุนาบิยัมบีเราได้ลงเราได้ลงเราได้เอาเราได้ลงเราได้ทำลายใครบิยัมบีด้วยความผิดของเขาเองเราได้ลงโทษพวกเขาเพราะความผิดของพวกเขาทำอะไรผิดไว้อ่ะ ต้องตาบ้าตัวนะก่อนตายนะนี่ตาบ้าบ่าไม่ได้ตาบ้าตัวแล้วเป็นไงนะ่ะอลัลลอฮ์เล่านะอลัลลอฮ์เล่นงานทีละคนละคนละคนละคนละคนละคนลงโทษหมดไม่ยกเว้นดูลุงนบีชื่ออะไรอบูอะไรอบูต้อเล็บนั่นอยู่กับนบีนะลุงนบีนะอลัลลอยกเว้นเปล่าเมียของนบีภรรยาของนบีอะไร ลูดยกเว้นไหมภรรยาของนบีนัวยกเว้นไหมไม่ยกทําไมอ่ะก็สอนพวกเราสอนบอกเตือนนบีมุฮัมมัดนาระวังนาฉันเล่าเรื่องของนบีต่างๆเนี่ยภรรยาขอนาบีแต่ละคนที่เอาศาสนาปลอดภัยหมดใครที่ไม่เอาศาสนาอาลัลลอฮ์ลงโทษหมดมาดูภรรยาฟาโร่เอาศาสนาไหมเอาปลอดภัยไม่ปลอดภัยปลอดภัยนี่ไง ใช่ขอดคิดเออใช่อแล้วเมีเราวันนี้ต้องมองก่อนภรรยาเท่ากับเป็นไงอาศนาเปล่าถ้าเอาปลอดภัยไม่เอาเฮ้ยเปลี่ยนหมายได้เราเนะีเปลี่ยนได้แล้วเปลี่ยนได้แล้วลูกๆไม่เอาสาสนานะต้องเปลี่ยนนะเพราะอัลลอฮฺรักและพรนอัลฟากุลลันอัลข้อสนามีซัมีแต่ละคนแต่ละคนทั้งหมดเนี่นะเราลงโทษเพราะความผิดของพวกเขาเองแล้วความผิดอันยิงย่งใหญ่อะไรรู้ไหมไม่เอาอัลลอ ไปหาตตะกียอย่างเงี้ยไปหาตระยองเนี่ยไปหาอะไรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอื่นจากอัลลอฮ์นี่มันบาปใหญ่ที่สุดเอาต่อมาครับลงโทษมีอยู่สีแบบเล่าให้พวกเราฟังให้นบีมุฮัมมัดฟังความมินหุมบางคนในกลุ่มพวกเขามินหุมแปลว่าบางคนในกลุ่มพวกเขาเนี่นะมันอารซาลนะ อัศนาแปลว่าเราได้มลมอะไรให้มหาเขาหาศิบาแปลว่าลมพายุบางคนถูกลงโทษแล้วก็ตายเพราะลมพายุมาทำไมเอ่ยลมก่อนก็อเมริกาถูกก่อนเห็นพ <laughs> ี่ใหญ่เราอเมริกาถูกเพราะอะไรนะเรียกอะไรเรียกอะไรคนโดเหรอ มาบ่อยอ่ะมาทําอะไรไว้อ่ะคิดหรือเปล่าอ่ะจกอุลมะเขาก็นอนเออใช่แล้วโอ้โหบ้านเราเนี่ยก็มีนะลมพายุนะเมื่อหลายปีมาแล้วที่หมู่บ้านอะไรอ่ะทัพทางภาคภาคใต้ไซนอมิสซนอมินี่มาใตาดินนะนี่มาลมพายุโอ้โหบ้านใครที่เดี๋ยวยังไม่ถูกเอามาเป็นไ บางบางคนในกลุ่มพวกเขานะเราได้ลงโทษเขาเพราะล้มพายุมาแรงแรงว่าอยู่ได้ั้มล่ะอัลลอฮฺอับบดเรื่องที่สองวะมินฮุมมันอาคอัดฮุสซอยฮาซอยฮาแปลว่าแผ่นดินไหวซืือว่าเสียงกำบัน้าเสียงดังๆก้าหูแตกหมดนะอย่างเดซีเนี่ยปัจจุบันนี้นะนั่นอะ เพเสียงกัปนาศเสียงดังๆแผ่นดินไหวเสียงมาลายกาเนาะตะคอกหุ้มการเหลือเลือดเนื้อในเรื่องที่สองนะแผ่นดินไหวเสียงกัมปนาศข้อที่สองนะว่ามินฮุมมันค้ซาฟนาบิลอาร์บและบางคนในหมู่พวกเขา เราได้ขอทราบนาเราได้สูบเอาอะไรสูบอัลอลบาบบะแผ่นดินนี่อัลละฮ์แฉ่เรื่องละเอียดหมดเลยเรื่องที่หนึ่งลมพายุมาตายเรียบหมดเลยทำไมละ่ะก็ให้ให้นบีมาทำอะไรผิดไม่ยอมตอบะดันทุรังอยู่ก็ทท้งตาย รรเราไม่แกตายธรรมดาเน่ะลมพายุมาเรื่องที่สองแผ่นดินไหวเสียงกั บ, บนาดดังๆเรื่องที่สามให้แผ่นเดินสูบเช่นไข่ก็รูนนี่อยู่ในสมองของพวกเราหมดเลยมุสลิมกลปลวงอ่ะแต่ย่าหัว ด, ดีฮะอะเป็นไรอาประเชิญอาตัวมาเรื่องที่สี่ ว่ามินหุมมันอัลลอฮฺและในหมู่พวกเขาบางคนเราให้เขาจมน้ำตายจมน้ํามาที่หลังลมพายุมาก่อนแผ่นดินไหวเรื่องที่สองอันที่สามให้แผ่นดินสูบแผ่นดินสูบแผ่นดินแยก<อ>จุลนกุมเดียวกันทั้งหมดแล้วก็แผ่นดินนี่ทุกวันนี่นะถามอลัลลอฮฺนะอลัลลอฮฺจ๋ ขยายไหมแม่น้ำทะเลก็เหมือนกันอลัลลอฮฺจะให้สซนา ม, มิอีกครั้งหนึ่งไหมอัลลอฮฺเราประอมันอลลอฮฺ เ, เ, เห็นยังครับพรอบทั้งหมดเราเนี่เป็นเครื่องมือของอลัลลอฮฺหมดเลยจะทําลายเมื่อได้จะมีบาตรกัดก็เพราะคนไปทันดินเนี่ยฉะนั้นใครที่มีอิมานอาลัลลอฮฺมีตักกว่ามียาตินมียศศาสมีอิคลาด มีหัวใจบุญเมตตาสงสารบ้านตรงนี้ที่ดินตรงนี้มีบรารักัดหมดเลยแต่ถ้านิสัยคนมันเปลี่ยนไปอ่ะลมพายุเดี๋ยวมาแล้วเตือนเตือนเตือนแผ่นดินไหวมาแล้วเสียงกำมะนานดังๆมาแล้วแผ่นดินสูบมาแล้วแล้วก็จนมน้ำน้าท่วมต้องต้องนึกเลยสีรายการนี้มาทํำลายคนให้คนได้ปรับเนื้อกับตัวเป็นคนดีเตือนสติคนชั่ว คนมุดมินน่ะได้รับข่าวแผ่นดินไหวเราก็นึกตลอดฉันเนี่ยอัศจรรย์ลอดหมายควบหรือยังฮาเวลาต้องนึกก่อนอ่านกุดอ่านไมายสิก็รู้รอไมายลูกไปยังไงภรรยาไปยังไงต้องนึกตอ ล, an, ลอดเวลาเลยมาต่อมาครับพอลงโทษไอ้ร้อนเล่านะลงโทษสรายการนะหนึ่งลพายุเขาเรียกว่าฮาวซเบาอันที่สองเรียกว่าสอยฮะอันที่สมเรียกว่าขอสับนาำพิชิตอาร์ด อันที่สีอัลลอฮฺพนาให้เขาจมน้ํำตายบรรดาจมน้าตายมีไหมมีครับนี่ที่บักราเทศเนี่ยอัลลอฮ์นี่ยทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะอาซาดยังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีนะนี่ขณะอับลเบีขอลุอาแล้วไงทำไมขอหนะักกันนี่ไห ม, อมโอ้โห วามะากนบลุยยัสลิมาหุมตรงนี้ดีมากครับและอลัลลอฮ์เนี่ยไม่เคยสร้างความอาธรรมให้กับเขาเหล่านัา้เนเะห็นไหมอลัลลอฮ์ไม่ไม่มีไม่ได้แก้งเขาไม่ได้อาธรรมต่อพวกเขาไม่ได้ทําอะไรเกินเลยทีเ่เกิดมานี่นะมาจากอลัลลอฮ์จริงแต่อลัลลอฮ์ไม่ได้แก้ง อัลลอฮฺไม่ได้อะไรนะไม่ได้ทรงอธรรมวกลากริงกาโนอัลฟุซาฮุมยาโลิมูนแต่พวกเขาเองทั้งหากเป็นคนร้อนแรเป็นคนอธรรมต่อตัวเองอัลลอฮฺไม่ได้แกล้งครับนั่งนั่นที่ที่ที่ทุกอะไรหน้าฟ้าผ่า ก, ก็ดี นี่ผมอ่านหนังสือพินหลายปีมาแล้วนะตายทีห้าคนบนรเลานี่แหละเพราะอะไรจะมามีสายล่อฟ้ามีตะกุเยอะตะกุดที่คอที่กุดที่แขนใสทำไมนบีห้ามทั้งมดลไม่เครเชื่อนบีงอัลลอฮ์ตกลงว่าอัลอออล อ, อ, อ์เนี่ยไม่ได้อาทมนะแต่ พวกเขาอาธรรมต่อตัวของพวกเขาเองจึงถูกลงโทษบางคนก็รายการที่หนึ่งถูกแผ่นลมพายุอันที่สองอะไรนะถูกแผ่นดินไหวเสียงกับปนาศอันที่สามแผ่นดินสูบอันที่สี่ให้จมน้ำตายถามว่าเมื่อตายแล้วเนี่ยจบหรือไม่จบไม่จบนะถูกลงโทษที่ไหนในกูโบต่อจนกว่าจะถึงวันฟื้นคืนชีพนะ่ะ ถูกวันตัวันตัววั น, วว น, ววนเอาทําำมาแต่ดุนยาเนี่ยเาลารอให้เพลินจริงๆนะเนี่ยคนไม่เอาศาสนาเนะี่ยอยู่บนดุนยาเนี่เพลินไยกันงคืนก็เที่ยวบาร์สบาจิอร่อยจริงๆแล้วมีผู้หญิงสวยๆแปลกหน้าอ้นโลฮักวัดดุนยาเนี่ยตัวล่อนะ ถ้าไม่ฟังศาสนาเลยนี่นะอร่อยเพยยยลินเราเราผู้เรากำลังกลับตัวกันหมดแล้วนะทด้ดวตุลลุมอาซามิสีรายการหนึ่งฮาซีบานด้วันลมพายุอันที่สองอัสรอยฮะเสียงกัม บ, บนาดแผ่นดินไหวอันที่สามขอซาฟนาบิฮิลอาร์ดให้แผ่นดินสูบอันที่สี่อักรกนาเราได้ให้พวกเขาจมน้าตาย อาซาบีสี่รายการต้องนึกเลยไม่พ้นสี่รายการ น, นะครับเอาต่อมาอายาที่สี่สิบเอ็ดอาย่านี้พูดเรื่องอะไรรู้ไหมคนที่ยึดเอาสิ่งอื่นเป็นผู้คุ้มครองอื่นจากอลัลลอฮ์นะเช่นยึดต๊ะะเกีย์ต๊ะรายองยึดหมอดูยึดอะไรอีก ยึดของศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ไม่เอานอกจากอัลลอ์เนี่ยนะการยึดของเขานั้นน่ะไม่ต่างอะไรกับใหญ่แมงมุมเข้าใจง่ายนะอัลลอ์อธิบายอย่างนี้คนที่จบด็อกเตอร์มยังคิดไม่ออกเลยนะไม <c oughs> ่อาญากรนี่ย่ามได้ั้มวะฮุมมุสตาบิรุนินพวกเขาฉลาดเก่งจริงๆเก่งหางเงิน อ๋อเก่งทุกอย่างเลยแต่ว่าให้ตัวเองรอดทําไม่เป็นให้ตัวเองรอดจากกูโบทําไม่เป็นให้ตัวเองรอดในวันฟุ้นคืนชีพทําไม่เป็นจะให้ตัวเองข้าไปดื่มน้ําอะไรนะน้ําที่นบีตักแจกนะ่ะบ่อน้ํากาวซัดน่ะทําไม่เป็นอ๋อเลาครับเราจะให้นบีชัฟาร์ก็ทําไม่เป็นนะ่ะ ก็พมเียศาสนาเราจะทกนได้ยังไงอ่ะอย่างนี้เป็นต้นนะมาซาลลลนัตขูมินดนิลลาฮิอลกามาซาลิลลักะบุอิตาขับตา وَإِنَّ أ و َْ ا ن َ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ ا ل ْ ر َّ ن ْ ك َ ب ُ و ت ل َ و كَانُوا يَعْلَمُونَ م َ س َ ل ُ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِن دُونِ اللَّهِ أ و ل ِ ي َ ا ء َ ك َ م َ س َ ل ِ ا ل ْ ر َ ن ْ ك َ ب ُ و ت ُ إ ت َّ خ َ ذ َ بَيْتَ و َ إ อ ن َّาَ و ْ ه َ ن َบุยุติละไบติลَงกับุตลาว์กันุยัลลามุอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอัลลลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลออัอฮฺอัลลอฮฺอลลอฮฺอัลัลลอฮฺลลอฮลลอฮอัลลอ มินดูนิลลาอิอัลยเอลัยเอลยะแปลว่าผู้คุมครองวลีน ะ, อ, ะอย่างผู้หญิงจะแต่งงานเนี่ยต้องมีวลีนะวลีกับอัลยะเนี่ยอลัลยะเป็นคำบังคุพศวลีเป็นเอกพจน์เมื่อวานมีผู้หญิงคนหนึ่งจะแต่งงานโทรสายมาหาผมหนูฉันผมจะแต่งงานหรือแตงง่แต่งก็คาเออเชื่อผู้ชายมีพ่อเปล่ามีอายุแปิบแล้วไปขอพ่อก่อนนะ พ่อเราถึงอายุเทา่าไรก็ตามแต่นะต้องขอบอกเขานะถ้าถึงมาโทรศัพท์มาหาผมก็ได้พ่อคุยคุยทางสายได้นะบอกได้คุยได้มีปัญหาเนี่ยตอกางยันจะกลมาอุบาลีทัานใครที่ยึดเอาสิ่งอื่นนะครับยึดโตะตะเกียโต๊ะรยองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายยึดบลาอิกะยึดยึดรยึดนบีนี่ก็ผิดหมดเลยนะ ต้องยึดใครยึดอัลลอฮ์นบีบรฮีมสอนดีนะตอนโยนใส่ไฟเนี่ยยิบรีนลงมาถามว่าให้ฉันช่วยไหมฉันตอบว่างไงนะไม่เอาถ้าอัลลอฮ์ฉันเอาเห็อย่างใจอัลลอฮ์ว่ า, วาเราเนี่ย อ, อะไรมาเอาเอาเอก่อนเอาก่อนใจต้องเข้มนะอยู่กับอัลลอฮ์จริงๆนะอัลลอฮ์จะให้คุ้มครองหมดเลยนะครับ มาซา ล, ลุนลาดีนะมาซาลแปลว่าอุปมาอัลลาดีนะของบรรดาผู้ที่อิตตะคัจูแปลว่ายึดถืออิตตะคัจแปลว่าเอานะแปลว่ายึดถือมินดูนิละอื่นจากอัลลอฮ์อาลเลีเป็นผู้คุ้มครองเข้าใจง่ายนะผู้ใดที่ยึดสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์เป็นผู้คุ้มครอง ยึดอะไรบ้างตโแต่เกียตตระยองยึดนบียึดอะไรอีกยึดมลายิกะยึดยิบรีนยึดนู่นยึดนี่ยึดทั้งหมดแต่ไม่เอาวะล่ะยึดคัพีคุรานเป็นเป็นที่เป็นที่พึ่งเช่นไปสาบานต้นที่ศาหน้ะเอาคุรานมาวางอัลลอฮฺพิษนั้นน่ะนาบานกับใครอัลลอฮฺองเดียวน้อย่างกิเป็นต้นนะ กามสาสลิลังกบบูุปมาอุปมาปมายกมสันเหมือนกับอะไรนะอังกบุูแตแปลว่าแมงมุมแมงมุมอังกบุูแตแปลว่าแมงมุมเป็นตัวนะตัวอังกบุูตเลยแมงมุมทีนี้มันมีคำอธิบายว่าแมงมุมเนี่ย มันชักยัยอ่าชักยยที่ไหนหรู้เปล่าชักยยที่บ้านเราท่านอัปปะบอกว่าตับสีตมาวัดดีนะผมอ่านเช็คอังกะบูดเนี่ยมาแมงมุมเนี่ยชักยัยเสองครั้งช่วยนบีชักยัยให้กับนบีดาวูด เรื่องอาลาบแค่นี้ก่อนแล้วก็ชาบยายให้นบีมุฮัมมัดที่ที่ทำอะไรนะท่านาบีหนีไปน่นนะนี่ไม่ใช่นบีพูดนะเป็นทัศนะของอุลามาเป็นทัศนคของอลุลามาแมลงมุมเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะแต่จะอุลามานะความเห็นของอุลามาแบกว่าชาบยายช่วยนบีมุฮัมมัด ล, ลลลยลมแต่ไม่ใช่ น, นบีพูดนะเป็นคำพูดของอลุลามะทีนี้มีฮะดีตอีกโอฮิรูมีฮะดีตบอกว่าจมทำความสะอาดบ้านของท่านอย่าให้มีใ ย, ยแมงมุมฟาอินตาร อ, อกกาฮูยูดยุสุลฟักใครที่ปล่อยให้บ้านเขามี มีมางมีมีใ ย, ยแมงมุมเยอะๆนะบ้านนั้นจะนําความจนมาเยี่ยมบ้านน <c oughs> ี่ฮัจจิสเก้เห็นยังนบีสั่งเขาอ้างว่านาบีสั่งแต่เป็นฮัจจิสติอ่อนนะให้ทําความสะอาดบ้านนี่ฮัจจิสเก้นะแต่ฮัจจิสอื่นมีสนับสนุนให้ทําความสะอาดบ้านอย่าให้มีใ ย, ยแมงมุม อันนี้ ท, ทั่วไปก็เข้าใจได้อ น, นี่ย น, นะแต่บางคนอ้างฮะดิษแตนบี ي ไม่ได้พูดเร่องนี้หะดิษเกนนะที่ว่าใครที่ปล่อยให้บ้านของตัวเองมีมแมลงมุมยาใ่แมงมุมเยอะๆบ้านนั้นจะนำความยากจนอันฟกฟกกรอฟักฟกฟฟีก้จะมาเยี่ยมบ้านความจนมีใครชอบแต่ว่าบ้านเนี่ยจะต้องทําความสะอาดอย่าให้มียใยแมงมุมอยู่ที่บ้านก็บอกภรรยา เราเองก็ต้องทำเองกับบ้านเงินซื้อไม่กว่าดยาวๆมาไลา่ออกไปนะครับอย่างดีเป็นต้นตลงว่าคนที่ยึดเอาสิ่งอื่นเป็นที่คุ้มครองอื่นจากอัลลอฮฺอุปามาดังแมงมุมอิตตะคอจัดบตะที่ชักใ ย, ยทํารังอิตตะคอดัดแปลว่าที่ทําไบตะนบปลว่ารังใย แมงมุมที่ชักใ ย, ยทํารังพูดให้เข้าใง่ายๆอล้ออล้ อ, ลอแล้วสงสารมนุษย์กูว่าจะไม่เข้าใจาไปยืดเสียงอื่นคู่กับอล้อทําไม่ไปยืดโตตะเกียร์ทำไมโตตะเกียรช่วยได้เปล่าไม่ได้โตระยองช่วยได้ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยไม่ได้อย่าไปยืดเหมือนกาอะไรนะแมงมุมที่ไปทํารังที่ชักใหญ่ อัลลอฮฺอธิบายต่อไปอีกว่าอินอาอูฮันัลบุยูดอาฮันแปลว่าบอบบางยิ่งบอบบางยิ่งบ้านที่บอบบางยิ่งหรือว่ารังที่บอบบางยิ่งที่อ่อนแอยิ่งแค่ ถ, ถูกลมก่พังแล้วนะ่ยรู้ไม่บ้านอะไรในโลกนี้ ลายตุลังกับบูธใหญยแมงมุมอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอ์สอนมนุษย์ให้รู้ว่าที่อ่อนแอนะอะไรบ้านที่อ่อนแอใหญ่ยยแมงมุมอ่อนแอนที่สุดในโลกนี้ไม่มีอะไรอ่อนแอนแล้วท่านคนที่ไปยึดเสิ่อื่นนอกจากอัลลอ์ไปขอเสิ่อื่นนอกจากอัลลอ์ ขอจากต้อะเกียรตัอระยองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอจากมาลาอิการขอจากชัยตอนหรือขอจากผีอะไรก็ตามเลิกให้หมดเพราะมันช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเพราะมันอ่อนแอจริงๆแล้วก็ลงท้ายว่าไงนะแล้วกานนูยาละมูถ้าพวกเขารู้อแล้วมันจบด็อกเตอร์ล่ะแล้วมันจบเป็นญาโทรอยู่ล่ะมันไม่รู้ล่ะ ถาวารู้ที่นี่มาถึงต้องเข้าใจศาสนาต้องอ่านกู่อ่านต้องเรียนสุนนะนบีต้องอ่านฮะดีสต้องรู้ประวัติของสวาบานนบีถึงจะเข้าใจถ้าเรียนยเฉพาะดุดยาอย่างเดียวนะจบรามกำแหงธรรมศาสตร์จุลานะไม่รู้ครับท่านญะละโมนถ้าหากเขารู้เนี่ยมันก็ต้องรู้เข้าใจกู่อานด้วยนะข่อใจสุนนะนบี zub. อัลลอฮฺนี่สุนนะนบีคนนํามาไปใช้กันนะ การดื่มน้ําดื่มน้าไม่เป็นกะป่วยนะถ้าดื่มน้ําไม่เป็นก็ป่วยอาบน้าไม่เป็นก็ป่วยทําให้อะไรนะ่ะเส้นเลือดในสมองแตกอาบน้ําไม่เป็นพอถึงเข้าห้องน้าเปิดน้ําฟู่ใส่ทิษะเลยใส่หัวเลยทําบ่อยๆนะเลือดในสมองนี่แตกดันั้นอาบน้ำต้องนึกถึงซุน น, นะนบีเขาอาบนํามาพิชายแต่เขาไม่อ้าง ไม่อ้างจากน บ, บีทาไงรู้เป่าอาบน้ํานำมาร์กอนล้างวิญญาเพศก่อนอาบน้ําน้มาร์กอนอย่างเงี้ยปกป้องโรคหมดเลยน บ, บีสอนตายไปเท่าไหร่แล้วนะ่ะตายไปเท่าไหร่แล้วอาบน้าไม่เป็นเห็นยังครับดื่มน้ำกว่าดื่มไม่เป็นดื่มไงต้องดื่มที่ละอึกเนี่ย น้ำแก้วนี่อย่างน้อย 1-2-2 นาทีจนกว่าจะหมดแก้วไม่ใช่ปวดปวดปวดปวดปวดปวดหายใจด้วยอะไรด้วยนั่นมันแท้อุดอย่างนี้เป็นต้นนะเอาต่อมาครับอินนัลลอฮฺยะลัมมะยาดะอูน์มินดูนีมินชัย วะฮุนอาซิลฮักอิมอัลลอฮุอะลัยซ์บอกอัลกิดาเนี่ยเรื่องอกิดานะอักิดานะ่อนะอักิดานอักิดาถ้าไปยึดเสียเงินเขาเรียกาอักิดาเสียถ้าไม่ยึดมั่นในอัลลอฮ์อกิดาเสียแล้วก็ช่วยอะไรได้ไหมลองตายดูสิอัลลอฮ์อััยาเลยยึดอัลลอฮ์ให้แน่น อิสติกลมาให้แน่นอย่าทำซีริกอย่าไปหาโตตะเกียโตระยองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทิ้งให้หมดโม ด, ดุงโม ด, ด, ม ด, ดูทิ้งให้หมดนี่ยคนที่อ่านหนังสือพิมพ์ก็มีวันเกิดใช่ไหมวันจันนวันคารพุทธปรหัดดูทุกวนันทุกวนัวนนะเพี้ยนนะแ <c oughs> ล้วอ่านหนังสือพิมพ์ใช่ไหมเอาวันวันจันร์ได้อะไรเกิดแล้วมีอะไงวันอาคาลดาวดวงนี้มาชนกับดวงนี้เอาล่ะอ่านไปอ่านไปเฮ้ย น, นี่อีมาแล้วไปแล้วละดี <c oughs> Allahu Akbar Allahu Akbar نعوذ بالله من ذلك إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء و هو العزيز الحكيم إن ต่อไปต่อเป็นอายาเนี้ต้องการจะว่าอัลลอฮ์เนี่ยรู้ทั้งหมด ที่เขาวิงวอนที่เขาขอมนุษย์ที่ขออะไรบนโลกนี้อลัลลอฮ์รู้หมดนะขออะไรก็ตามแต่นะอลัลลอฮ์รู้หมดขอเรื่องอะไรอลัลลอฮ์ก็รู้เพรานั่นเขาเลยสั่งอิหม่ามต่างคนต่างขอ มามงก็เอาขอเองมีเรื่องเล่าน้ําท่วมพอน้ําท่วมกับอิหมังก็มีเรือให้ให้ให้ให้ข้ามฟากเนี่ยหมล่ะอิหมังก็ขอมาอัลลอฮฺจะให้น้ําท่วมนานๆเพราะตัวเองมีเรือข้ามฟากได้ตังทุก ว, วันมามงกุฎก็บอก อ, อิหมังนไม่ขอให้น้ําท่วมต้องขอจะให้น้ําลด <c oughs> ในเรื่องเล่านะอัลลอฮฺอัลกุบะด Allah รู้หมดว่ามนุษย์นะ่ะขออะไรขอจากใครขอจากโต๊ะตะเกียร์มีไหมมีกี่คน Allah รู้ขอจากโต๊เรยองกี่คนขอจากนาบีกี่คนขอจากมลายิกากี่คนไม่ถึง a l ล a h หมดเลยนะขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย น, นี่นะ Allah รู้หมดไม่ใช่ไม่รู้รู้ Allah เ, เล่านะกุคอาอินนัลลอฮแท้จริง Allah ยาลามูแปลว่าทรงรอบรู้อัลลอฮฺเรานั่งอยู่ในมัสยิดวันนี้นะสอนเรื่องอะไรอัลลอฮฺรู้ว่ารู้ครัำและเล่าข้างบนด้วยเรื่องของเราวันนี้เป็นเรื่องดีที่เรานั่งอยู่ในมัสยิดนะี่ยอัลลอฮฺเล่าเรื่องของเราให้มรรดาอีกฝั่งเพราะวันนั้นมาดูสิที่มัสยิดอันวาลิสุนนะคนนั่งฟังตัรมีสกันนะฮะมดุลิลลา ที่ไปขอจ้สิ่งอื่นอัลลอฮ์ไม่เล่ามาเลก้าฟังอัลลอฮ์รู้อย่างเดียวเองทำผิดผิดผิดผิดผิดผิ ด, ผ ด, ผดขอจะาต้นตะเกียร์ทำไมขอจะาต้นระยองทำไมอันนี้เป็นต้นอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์ญาลามทรงรอบรู้มาญาดอนสิ่งที่เขาวิงวอนขอสิ่งที่มนุษย์วิงวอนขอนอลัลลอฮ์รู้หมด มินดูนิลาอื่นไปจากอัลลอฮ์นี่เน้นนะเน้นให้รู้ว่าเองที่ไปขอจากมาลายกาก็ผิดขอจากยินก็ผิดขอจากโตตะเกียก็ผิดขอจากสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายผิดไปหาหมอดูทำนายก็ผิดลารู้หมดมินใช้สิ่งใดใดเล็กๆน้อยๆที่ขออัลลอฮ์รู้หมดเลย ทำามเรากลัวไหมนี่เล่าให้นายบี ฟ, ฟังอ่ะแล้วเล่าให้คนที่อ่านกรัรอ่านฟังต่อมาครับวะฮุวัลอาซิลฮักิมและอัลลอ์เป็นผู้ทรงอำนาจอัลลอ์ผู้ทรงอำนาจแล้วก็ฮกิมเป็นสูส้รรงปริชาญาหมายถึงรู้ละเอียดทิบเลยในโลกนี้ใบไม้ร่วง ประเทศเมืองไทยกี่ใบที่มาเลเซียร่วงกี่ใบทั่วโลกนี้ใบไม้ร่วงกี่ใบแล้วร่วงแล้วเนี่ยบางใบมันหงายกับาบางใบมันคว่ำอลัลลอฮ์รู้เองเห็นอย่างครับเราต้องไว้วังใจอลัลลอฮ์มอบตอนต่ออัลลอฮ์ทั้งหมดเวลาสแสวงหาเหล้าสกนะีให้ทําตัวแบบนกให้ตะวะกักกันต่ออัลลอฮ์แบบนกออกไปตอนเชา้ากลับมาตอนเย็นเป็นไง อิมหมดเลยไม่มีใครบินตกตายสักตัวหนึ่งอัลลอฮ์พี่น้องอายะสุดท้ายนะครับวาที่คืออสนัดริบุฮลินัสวะมะยาห์ลุฮะอิลัลกาลิมุนวาที่คืออสลนัดริบุฮลินัส ว่าม่ยั่งค์ลุ่มแต่ละนัะนุดที่ับองการจะอธิบายว่าอัลอัมซลแปลว่าตัวอย่างต่างๆเหล่านี้ที่อัลลอ์ยกให้อะไรบ้างอัลลอ์รู้ทั้งหมดนะแล้วก็แมงมุมงนะาใหญ่แมงมุมงนาะ เล่าเล่าให้ฟังประวัติต่างๆใช่ไหมกอรูนฮามานฟิรุนนบีมูซาอาลัลลอฮ์ส่งมาและมีน้องพี่อีกคนหนึ่งฮารูนช่วยนบีมูซาเรื่องทั้งหมดที่อลัลลอฮ์เล่านี้นะเป็นอะไรครับนบดรีบุฮาเราได้ยกตัวอย่างให้เห็นลินาแกมนุษย์ทั้งหมดไม่ไม่เฉพาะมุสลิมนะ เปิดโอกาสให้คนนำเอาไปใช้สมองได้เลยเป็นตัวอย่างแบบแผนที่ดีนัตติบุฮาลินนาให้ับมนุษย์ทั้งหมดเนี่ยไม่เ จ, จ, นจนาะจงเฉพาะมุสลิมวามายาอติลูฮาไม่มีใครใช้ปัญญาเห็นไหมชมเนือดาเนี่ยดาแต่ดาแบบนิ่มๆไม่มีใครใช้ปัญญา คิดเรื่องกอรูณคิดเรื่องฟาโร่เรื่องฮามานคิดเรื่องอิฐไม่ได้คิดเลยคิดเรื่องสูบแผ่นดินคนตจมน้ําตายลมพายุมาแผ่นดินไหวไม่มีใครคิดสักคนหนึ่งอิละลามติลูนอกจากยกเว้นผู้ที่มีความรู้เท่านั้นอ้าวคนที่มีความรู้มีใครบ้างเลยพี่น้อง คนที่มีความรู้หนึ่งคนที่อ่านอัลกุรอานมีความรู้นี่อัลลอ์ยกเลยนะคนที่อ่านอัลกุรอานคนนั้นมีความรู้แล้วก็อ่านทีละอายะ์อย่าอ่านเยอะทีละอายะ์แล้วก็ดูคำดูศัพทนะ์มันอ่ะอัลลอฮ์มูซากอรูนฮามันข้อศัพท์นามปรวสูนึกนี่คนที่นึกอายะห์ต่างๆของอัลลอฮ์เนี่ยคนนี้เป็นคนที่มีความรู้เอาต่อมาครับ ผู้ที่ปฏิบัติตามอัลกุรอานอัลลอยกคนนี้เป็นความรู้มีความรู้ข้อที่3ผู้ที่ออกห่างจากความชั่วที่อัลลอฮ์ห้ามทั้งหมดคนนั้นเป็นคนที่อาเลมเป็นอย่างครับอัลลอฮฺอักบะด์แล้วก็คนที่มีความรู้ก็คือคนที่ชอบอ่านกุรอานแล้วก็วิเคราะห์กุรอานยิอ่านเยอะนะอ่านสักสองสามยะไอสวนอ่านเป็นร้อยๆอายะ้วก็อ่านไปเถอะไม่มีปัญหา แต่ว่าอ่านแล้วหาความรู้น่ะอ่านสักสองสามอายะห์อ่านแล้วก็ดูศัพทบอธิบายยังไงโทรศัพท์ถามบุลมาบ้างก็ได้ใช่ไหมถ้าอ่านได้ชอบอ่านกุรอานแล้วก็ชอบวิเคราะห์อัลกุรอานมีนิสัยชอบวิเคราะห์อัลกุรอานความหมายของอัลกุรอานที่มาของอัลกุรอานเรียกว่าคนอาเล่มหมดเลย จะต้งว่ า, าอาเลมเนี่ยสวนญายอยู่กับกลุ่มมุสลิมแต่คนไม่อาอิสล า, ลลไไามล้วไปงานอาเลมไหมล่ะอาเลมดุนยาอาเลมดุนยาขาดทุนเปล่าขาดทุนเลยอาเลมดุนยาอย่างเดียวน่ะแต่อาคิีร้องไม่รู้เรื่องเลยนี่ขาดทุนอย่างย่อยยับนะครับทีนี้คนที่ทําความดีบนโลกดุนยาไบนี้ทําไม่ใช่เพื่ออัลลอฮ์นะอุอา่ะครั้งที่แล้วว่างไง พอตายไปแล้วฟื้นขึ้นมามีเจอคดีสี่คดีหนึ่งปฏิเสธกันเองสองสาบแช่งกันเองสอะไรหน้าที่พักของเขาคือนรกอันที่สี่ตัวช่วยไม่มีสี่ข้อครับคนที่ไม่เอาอัลลอฮ์บนดุนยานี่นะอัลลอฮ์ให้โลกเดียวบนดุนยานี่สบายจริงมีบ้านอยู่จริงมีรถขับจริงมีเงินเป็นร้อยรอยล้านจริง เองสบายเฉพาะดุลยาเพื่อนฝูงคุณใครจะใครที่สนับสนุนคุณพอตายฟื้นขึ้นมาเจอสี่คดีหมดเลยคดีที่หนึ่งปฏิเสธกันเองพ่อไม่เอาลูกเมียไม่เอาภรรยาไม่เอาสามีสามีไม่เอาญาติพี่น้องต่างคนจำอยู่แล้วอันที่สองสับแช่มกันเองอันที่สี่ที่พํานักคือนรกอันที่สามอันที่สี่ตัวช่วยไม่ไหมไม่มีคุณอ่านญาต่แล้วญาติี่ไร น่จะเป็น32นะเราไปเช็คด้วิธีหมดเวลาครับ سبحان นะกล่าวขมาว่าอย่มดิก็ชวนเลยอิลลฮิอิลลัฮอันตะอัสตัรุกะวะตูบิวะลลัลลอฮุะลามุฮัมมัดวะอลีฮิวะบิฮิอจมี